ตั้งใจทําทําช่วยกันไม่ได้นะทําเอาใครเอาเราอั น, นเนี้ยบาปละเมียสร้างแบบากับเจ้าของให้คนอื่นสร้างไม่ได้นี่แต่ครูบาอาจารย์ก็มีแต่เพียงแต่บอกเท่า น, นั้นผู้ปฏิบัติผู้ทําคือเราเนี่ยแต่อยู่ที่คนอื่นเราขยันก็ได้เท่านั้นความเพียบาปละเมีย ใช่ตายแล้วถึงจะมาสร้างบา ร, รมีบำเพ็ญภาวนาลมหายใจไม่มีมันทำไม่ได้หรอกตากันเข้าใจอย่างนี้ลมหายใจมีอยู่เราก็รีบทาเอาไม่รู้ว่ลมหายใจกับร่างกายมันจะขาดออกจากกันวันไหนอ่อเชื่อไม่ได้นะมันไม่ได้นะตั้งเจดูลมเข้าลมออกถ้ามีอะไรมาขัดกางเลย ก็สีสดงว่าลมไม่เข้าไม่ออกลมเข้าลมออกไม่ได้ก็ตายเล้นั้นอิจของเรามีอยู่แค่นี้แต่ลมให้ใจเข้าออกนี่แหละอย่าไปหาอะไรให้มากเกินไปเดี๋ได้เท่ากับเสียนั่นแหละได้มาก็คือได้ทุกข์นั้นหามาก็คือหาทุกข์มาใส่เจ้าของนั่นนี้มีอยู่ก็คือมีทุกข์พระพุทธองค์ตัดเอาไว้ได้มาก็ได้ทุกข์ หามาก็หาทุกมาใส่อของมีอยู่ก็มีทุกทําไมถึงว่าอย่างนั้นได้มาทําแทนที่อย่ว่าจะมีสุขกว่าจะได้มาเนะ่ยมันทุกยากลําบากขนาดไหนอะไรก็เหมือนกันลงทุนลงรอนเข้ามาหามาก็หาทุกมาใส่้าของมีอะไรดีกว่านี่ดอกมีอยู่ก็มีทุกแต่มัน ล้มหายมันเก็บไข้ได้ป่วยนะก็เป็นทุกข์แหละทุกขมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกนนะอยากได้ลูกมากก็ทุกข์ได้มาแล้วก็ทุกข์มีอะไรก็ทุกข์หมดนะ <c oughs> ถ้าพารณาดูเลาหลงหลงทุกข์ว่าเป็นสุขก็เลยอยู่ปลายทุกข์แคบกว่าเดียวกว่าดาวแกงงูแหบนิน้น ข้างกวหูงูแลบลิ้นสุขอะไรแค่นั้นมาเทียบสุขในการนั่งสมาธิอยู่ที่ไห น, นสุขในการนั่งสมาธิภาวนานะมันสุขขนาดไหนพอจิตมันสงบมันว่างลง <c oughs> นั่นแหละเริ่มมีความเยือกเย็นขึ้นมาความเยือกเย็นเกิดขึ้น จิตเกียจเก็นเป็นสมาธิว่าง น, นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายใจมันเย็นตอนจิตมันเป็นสมาธิเจ็ดสุขสบายอยู่งั้นเป็นชั่วโมง2องชั่วโมงบางองบางท่านได้สงบนานลมหายกายไม่มีนง่น นั่งอยู่ในอากาศเวหาแต่วความรู้สึกว่าสุขกับสบายอยู่แค่นั้นรู้เฉยรู้เฉยออย่างนั้นสุขอย่างอื่นก็แค่นั่นละ่ะสุขในกรรมคุณหา้าอแค่ประเดียวประดาวเท่านั้นเองสุขในชนั้นในสมาธินี่โอ้ลมหายกายไม่มี เกิดสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ขึ้นมาลมหายใจอยู่ๆดูไปดูมามันหายไปไหนก็ไม่รู้ลมหายใจนะ่แปลกไหมหออมีแต่ความสุขอย่างเดียวสบายเย็นเยือกเย็นเป็นสมาธิอยู่เง้นลมเบาลงลมระงับลมดับไปลมหายกายไม่มี มีแต่ความรู้เฉยรู้เฉยรู้แล้วก็สู้อยู่เท่านั้นแปลกประหลาดไหนะลมหายใจไม่มีทาไมไม่ตายไปถามครูบาอาจารย์ท่านว่าผู้รู้ยังเหลืออยู่มันไม่ตายผู้รู้ยังเหลืออยู่กายเราไม่มีไม่รู้ว่ากายเป็นไหนนะช่วงมันนะจาขะากายสละกลายจ้าข้องออกเรียกว่าจาขะาขันห้าสละขันห้า ทานขันห้าออกโดยปริยายเวลาลมหายกายไม่มีกายนอกก็ไม่มีกายหยาบก็ไม่มีกายละเอียดคือกายลมก็ไม่มีว่างเหมือนนั่งอยู่ในอากาศเวหานี่ยนะทำไมแม่หาสุขอย่างนี้จนบางคนไปหลงติดอยู่ในนี่แหละติดสุขในสมาธิติดอยู่ใน อารมมนูปนิจชาญติดอยู่ในอารมณ์ของชาญนึกว่าเป็นพระนิพพานมันสุขมากถึงขนาดนั้นอยากได้ไหมล่ะหืมากันเร่งทําเข้าขยันเข้าเราจะเห็นโลกมิติมไหมนี่แหละท่านเรียกว่าผมมโลกหรือเรียกว่าลูกผมโลกใบที่สองตามมาโลกนี่โลกย่ายาม โลกที่มีหูมีตาอยู่นะเอาหูเอาตาเอาจมูกไปเสพกับรูปเสียงกินรสอยู่นี้อันนี้เรียกว่ากามะโลกนะโลกอันนี้ขึ้นไปโลกขั้นที่สองเรียกว่าพรมะโลกขึ้นไปโลกขั้นที่สามว่เรียกอรูปพรมเลยเนี่ยมันแปลกประหลาดถึงขนาดนี้ทาไปมันจะเกิดจะเป็นขึ้นมาให้เห็นหรอกไม่ต้องไปคาดไปหมาย ไม่ต้องไปคิดว่าอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้จิตมันจะพัฒนาไปเองขออย่างเดียวให้ลมหายใจกับสติน่แนบสนิทติดกันอยู่อย่าว่าขาดว่าขาดตอนทั้งรู้ลมเข้าลมออกอย่างนั้นเวลาลมเบาลงก็รู้ว่าเบาเวลาลมระงรับดับลงก็รู้ว่างรงรับดับลงก็จะปรากฏเห็นดวงจิตของเราจิตแท้จเดิมปรากฏขึ้น อันเรียกว่าจิตตัวนี้เราเรียกว่ารูปภิจิตเป็นกายละเอียดเป็นรูปอันละเอียดรูปขั้นนี้ต้องไปยุติขึ้นบนพร ม, มโลกถ้าใครเห็นอันนี้เห็นพร ม, มโลกพรมะโลกอาเข้าสมาธิแน่วแน่ละเอียดนน่นลงไปอีกถึงอันรูปพรมนึน อ่ารูปคมรูปชานไม่มีรูปเนะท่นี่อันนี้ยังเป็นรูปประจิอยู่อันนั้นไม่มีรูปว่างเว้งว่างเหมือนอากาศอารมณนะ์ท่านจึงเรียกว่าอากาสาอากาศ า, าศยัญจายัตตนาะปัญญายัญจายัตตนะาแต่ว่ามีวิญญาณอยู่ อจินจายันจายัตจนะเนวสัญญาณาสัญญายัตจนะรู <mel> <mel <mel <mel ้สึกว่ามีหรือไม่มีแต่ว่ามีก็ไม่ใช่อันนี้แต่ว่ามีวิญญาณก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่ท่านเรียกว่ามีนิดหน่อยน้อยหนึ่งนิดหน่อยน้อยหนึ่งก็ไม่มีเนวสัญญาณาสัญญายัตนะขึ้นไปถึงนี้ยิ่งปณีดมากอันนี้เรียกว่ารูปอันปนี ไอ้ในไอนรูปพรมนี่ะรูปพรมน่ะเรียกว่ารูปอันละเอียดขันห้าอันละเอียดเราไปเห็นนั่นนั้นก็เห็นขันห้าอันละเอียดวิญญาณมโนวิญญาณมโนทวารมโนทวารทวารคิจัยอารมณ์อันนี้มันจะเกิดจากมโนทวารอย่างเดียวไม่เหมือนการมคุณห้านะกามคุณห้าเนะี่ยเกิดจากตาหูจมูกลิ้น กายใจเกิดได้ทวารทั้งหแต่รูปฌานนี้มันจะเกิดเฉพาะทางมโนโทวาลอย่างเดียวจักขุทวารรสตะทะวาลเป็นกามโลกส่วนพมโมโลกมันจะเกิดขึ้นทางมโนโทวาลอย่างเดียวให้เข้าใจอย่างมโนทวาลก็คือรูปภายในคือใจของเรา อารมณ์รู้สึกว่าว่างรู้สึกว่าสงบนะคือรูปภายนอกยกตัวอย่างให้ฟังชี้ชีนะ้เราความรู้สึกว่าว่างความรู้สึกว่าสุขความรู้สึกว่าสบายคือมโนวิญ ญ, ญาณคือใจคือนามนี่แหละรูปรูปกับนามนี่เรียกว่าขันห้ายึ่งเรียกว่ารูปประจิตรูปพรม เกิดจากขันห้าขันห้าอันละเอียดไม่ได้อยู่ที่ไหนขันมันซ่อนกันอยู่นี่นะขันละเอียดขันอันประนีตขันอันประนีตก็คืออรูปพรมไม่ประนีตจนไม่มีรูปนั่นนะที่เราสวดอยู่เมื่อกี้นี่แหละยังจินกีลูปังอาจิตานาคตาปัจจุปนัง อจชัตตังวาพระหิทาวานะโอราลิกังวาสุขุมังวานะสุขุมลูกนี่แหละคือรูปประจิตคือรูปผมนี่นางวาปณีตังวาอรูปอันปณนีนั่นนะเรียกว่าอรูปผมอเกิดจากมโนทวานเหมือนกันมโนทวานตัวนี้แหละคือใจส่วนอารมณ์ว่างเป็นอากาศอยู่นั่นนะคือรูปภายนอกมันกระทบกับรูปภายใน คือมโนทวารความรู้ว่าว่างเหมือนกับอากาศอยู่นั้นความรู้ว่าสุขความรู้ว่าสบายอยู่นั้นคือน้ำลูกกับน้ำนี่นะท่านเรียกว่าขันห้าหรือท่านเรียกว่าอารูปพรมเนี่ยเนี่ยอรูปพรมขันที่ไปเกิดอยู่อรูปพรมถ้าได้อย่างนี้จะไปเกิดอยู่อรูปพรมขันห้าขันเนี่ยถ้าขันห้าอันที่แรกนั้น เป็นรูปประจิตก็ไปเกิดอยู่รูปพมอันปณีตนี่จะไปเกิดอยู่อรูปพรมขันเนี่ยนี่แหละท่านเรียกว่าสามแดนโลกกัตถ์การมมลกครูปโลกอรูปโล ก, โล ก, โล ก, โลกหรือสัตที่ตั้งอยู่ในภูมิสามนี่การมมาไวาจรภูมินีอ่อันเดียวกันเรียกคนน่ะสัมมวนเฉยเฉยสัตที่ตั้งอยู่ในภูมิสามกำเนิดสี่ ตามมาพระจรภูมิหรือกรรมมะโลกอันเดียวกันหรือกรรมมะพบก็อันเดียวกันกามมาก น, ก น, นะพบที่ยังเสพกามอยู่อืมนี่แหละสัตว์ที่เราแผ่เมตตาไปเมื่อกี้นะี่ตัดสิบสองจำพวกนแผ่เมตตาหลวงไปเมื่อกี้นะี่พาแผ่ไปให้สัตว์สิบสองจำพวก สัพเพสตาน่ะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงน่ะสัพเพปานา่ะสัตว์ที่มีลมหายใจน่ะขึ้นไปสับเพผูตาน่ะผูดพีปีศาจ ท, ทั้งหลายน่ะทั้งปวงน่ะสัพพาไ ป, ไปไว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็แผ่ไปเมื่อกี้นี่แผ่ไปให้สัตว์สามแดนโลกธาตุอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยน่ะ ลง ด, ดำลงชีพยอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดลง ด, ดำลงชีพยอยู่เป็นสุขเป็นสุขทุกเมื่อเถิดนนั้พอแผ่ให้สัตว์สิบสองจำพวกนะให้พากันเข้าใจอย่างนี้เวลาแผ่ก็ส่งจิตส่งใจไปยกตัวอย่างเรื่องตามมาโลกลูบโลกลูบโลกให้ฟังเฉยหือเขาหรือท่านเรียกว่าสารแดนโลกกระถาง การมโลกก็มีอยู่สิบเอ็ดชั้นได้แก่ <c oughs> แบ่งออกเป็นสองภาคภาคภาคทุกข ต, นน ข, ขติอันหนึ่งสุขติอันหนึ่งมันมีพบแบ่งออกเป็นสิบเอ็ดภพการมโลกนี่อบายภูมิสีพบกลางๆคือมนุษย์มนุษย์นี่ไปอยู่พบไหนก็ได้นะไป ออกจากมนุษย์ไปก็จะไปตกอยู่อาวายัยภูมิก็ได้ขึ้นไปสวรรค์ก็ได้เป็นพบกลางๆพบมนุษย์มนุษย์หนึ่งสว 6, รรค์หกรวมเป็นสิบเอ็ดชั้นรูปคมก็มีสิบหชั้นรูปคมก็มีสี่ชั้นรวมกันเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดพบสามสบเอ็ดภูมิสามสบเอ็ดพบสามบเอ็ดภูมินี่ไปจากไหน ไปจากคนนี่แหละพบกลางๆที่ว <m uch humidity> ่าคนนี่แหละไปจากมนุษย์นี่แหละไปเป็นเปรตก็มนุษย์นี่แหละเป็นไปเป็นอสุรกายก็เป็นมนุษย์นี่แหละไปไปจากมนุษย์นี่แหละไปเป็นสัตว์ในโลกก่อไปจากมนุษย์นี่แหละมนุษย์นี่เนี่ยไปฆ่าสัตว์เอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกางพุดปดมดเทสกินเหล่าเมาสุรา มนุษย์นี้จึงไปตกอยู่อบา ย, ยภูมิทั้งสี่เอ่อนี่ไม่ได้ไปจากไหนพบอบายยภูมิเพราะไปจากตัวเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่แหละไปจากมนุษย์นี่แหละอากไปทําบาปอกุศลเนี่ยอกุศลานะ่ะอกุศลานะ่ก็คือไปที่ภาวาเมื่อกี้เนะี่ยอกุศลธรรมากุศลธรรมม า, า, มาอากุศลธรรมม า, อ, า, า, มาอพยกระตาธรรมานะั่น กุศลาแปลว่ากุศลกุศลมูลอกุศลมูลนี่แหละมูลเหตุแห่งกุศลมูลเหตุแห่งอกุศลนั่นถ้าเอาไกลยวาจาใจไปทําบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนิการพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราก็เรียกว่าอากุศลบาปนี่ไปตกอยู่อบายภูมิทั้งสี่เนี่ยนั่งอยู่นี่แหละมนุษย์นี่แหละ ถ้าเอากายวาจใจใจมาบำเพ็ญเพียรภาวนามาสร้างบารมีให้ทานบารมีรักษาศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีปิเลยะบารมีขันติบารมีขึ้นไปก็นั่งอยู่นี่แหละสร้างบารมีขันติก็ความอดทนละ่ะปวดแชงปวดขาไม่ต้องไปกระดุกกระดิกมันอดทนอดกั้นแล้วนี่ ไม่ได้อยู่ที่ไหนวิริยะคือความเพียรอันตีความอดทนมไม่ได้อยู่ที่ไหนสร้างบา ร, รมีนั่งอยู่นี่แหละนี่กุศลาให้เจ้าของกับกุศลายางนี้แหละกุศลาให้เจ้าของนี่แหละจะทำให้บําเพ็ญบา ร, รมีเพื่อไปเกิดอยู่ในภพต่างๆตามบุญกุศลที่เจ้าของปฏิบัติอยู่อ่า เอากายวาจาใจนี่ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมก็เรียกว่าไปตกอบายภูมิสีถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ได้มนุษย์สมบัติเนี่ยได้มนุษย์สมบัติได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกคือเก่าถ้าม า, าให้ทานรักษาศีลขึ้นไปก็ได้สวรรค์สมบัตินรักษาศีล ทานรักษาศีลขึ้นไปก็ได้สวรรค์นี่แล้วบำเพ็ญบา ร, รมีไปแก่บำเพ็ญจะให้ใครมาบำเพ็ญให้จะ่ให้ใครมาทานให้ทําให้อืมถ้ามานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยก็ได้ไปเกิดอยู่ได้รูปฌานสี่นี่ก็ได้ไปเกิดอยู่พมลโลกถ้าได้อรูปฌานสี่ ก็ไปเกิดอยู่อะลูกพรมสีชั้นนี่แหละที่บอกว่ามันความสุขมันละเอียดปณะนีตต่างกันพร ม, มโลกนี่ก็ละเอียดเหมือนกับพระนิพพานแล้วส่วนอะลูกพมยิ่งปันมีดลงไปอีกเหมือนในพระนิพพานสเสวยสุขในอะลูกพมทั้งสองพร ม, มโลกนี่แหละถ้าใครไปติดอยู่ในรูปฌานอะลูกฌานนี้เขาเรียกว่าลู ป, ปะอ ติดอยู่ในอารมณ์เนี่ยอารมมนุปย์นิจจะชันเรียกว่าชันหัวต่อสมาธิหัวต่ อ, ตอนั่งตลอดวันก็ได้มันสุกติดสุกในฌานติดสุก ใ, ในสมาธินั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อไม่เกิดปัญญาจึงหลงว่าสมาธินี่แหละคือพรมโลกตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนพุทธ พระพุทธองค์ตัดสู้อริยสัจ ส, สี่คนก็มาติดอยู่ในนี่นะติดอยู่ในฌานนะอันนี้เขาเรียกว่าฌานโลกีหรือเรียกว่านี่ผานพรมยังเป็นโลกอยู่ยังกลับมาเวียนว่ายใต้เกิดอยู่อันนี้ให้เข้าใจอย่างนี้นะนี่แหละบำเพ็ญบารมีหรือเรียกว่ากุศลาท่ากุศล ผลบุญให้เกิดให้มีในเจ้าของคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญา น, นี่แหละสมาธิก็นั่งอยู่เนี่ยศีลก็รักษาอยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนอืานี่แหละสามแดนโล ก, กธาตุยังตกอยู่ในกฎใจลักยานตกอยู่ในธรรมชาติยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อันจึงบำเพ็ญบารมีขึ้นสูงกว่านี้ขึ้นไป จนเหนือโลกเหนือโลกทั้งสามนี่เรียกว่าโลกุตัละภูมิหรือเรียกว่าพระนิพานนี่แหละมาทำก็มาทำเอานี้แหละมาสร้างบา ร, รมีมากุศลาให้เจ้าของก็ว่าเอเอาอะไรมาสร้างเอาขันหา่านเอากายวาจาใจนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องอ่ามันสร้างได้หลายอย่างมนุษย์นะ่ะนะ ถ้าใช้กายวาจาใจผิดทางก็ไปผิดศีลผิดธรรมก็ไปตกอบายภูมิมันไม่เลือกหน้าใครนะถ้าใช้กายวาจาใจขึ้นมาบำเพ็ญพารมีเนี่ยมาทานมารักษาศีลมาภาวนามานั่งสมาธิภาวนาก็มีสอย่างสมาธิภาวนาคือทํากิจให้สงบเหมือ น, นกับเรานั่งอยู่นี่แหละ ขึ้นไปสูงกว่า น, นี้ก็คือวิปัสสนาภาวนาคือทําปัญญาให้เกิดให้รู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งภาวนามานั่งภาวนามาเดินจงกรมภาวนาเดินปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งซึ่งขันห้าซึ่งก้อนสกรกายนี่ทําไมจึงไม่รู้ว่าไกลมันรู้อยู่รู้ว่าไกล รู้ว่ากายนี่นะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่พระพุทธองค์ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราต้องมาหาคนดูหาคนดูให้รู้ว่าไม่มีสัตว์มีคนมีเรามีเขาอยู่ในนั้นมันมีแค่นี้นะไม่มีอะไรอีกมากกว่านี้ถ้ารู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆเรวกวาก็ เวลาคันห้ามันเกิดมันดับเราก็รู้เท่าเอาทันขันห้าเราก็จะเห็นเมื่อตาเห็นรูปหนึ่งก็เกิดเมื่อตาเกิดเห็นรูปแล้วก็ดับหูเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกเกิดได้ปิ่นขึ้นแล้วก็ดับลิ้นเกิดได้รสขึ้นแล้วก็ดับกายเกิดโวดทพะกระทบ ยินร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ดับทำมารมความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่เราไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับเราไม่รู้สัจจะเราไม่รู้ความจริงจิงให้มาภาวนาเพื่อค้นหาความจริงถ้าใครเห็นเกิดเห็นดับตาเห็นรูปแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสแล้วก็ดับเรียกว่า ดวงตาเห็นธรรมให้คนหาอย่างนี้ให้หารู้จะเกิดจกดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอือเรียกว่าธรรมจจะขูจจะขูก็คือดวงตาดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดเห็นดับเห็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับเป็นธรรมธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับ ถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมถ้าเทียบแล้วก็บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วนี่แหละทุกข์ตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับ ให้คนรู้จักทุกเ <c oughs> พราะไม่รู้จักทุกเราท่านทั้งหลายไม่รู้จักทุกจึงไม่เบื่อหน่ายในทุกอยู่นี่มีมีแต่เกิดกับดับเท่านั้นนอกจากไาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจากมูกได้ยินนินในรถเกิดดับเกิดดับลมหายใจเข้าก็เกิดดับลมหายใจออกก็เกิดดับหายใจเข้าท้องพองขึ้นก็เกิดดับ อาเย่ออกท้องยุบลงก็เกิดดับเห็นเกิดเห็น ด, ดับจึงได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับนี่แหละพระยาโกนทัญยัเกิดธรรมะจักขู่เมื่อฟังธรรมะจักที่พระพุทธองค์เทศนาปฐมเทศนาเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นเกิดเห็น ด, ดับอะไรเกิด อะไรดับสิ่งได้สิ่งหนึ่งสิ่งทั้งหลายนั่นทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นะอะไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นต้องดับขันห้าเกิดขึ้นขันห้าก็ต้องดับตาเห็นรูป ก, ก็ต้องดับหูได้ยินเสียงก็ต้องดับเรียกว่าเกิดธรรมจักขุนี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นนะพภาริยาบุคคลขั้นต้นอืม มันมีแค่นี้อ่าพระอริยะบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันองค์แรกก็เป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีไงกายดีวาจาดีใจดีตรงของพระพุทธเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้วอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีกายประเสเสฐวาจาประเสริฐใจประเสเสดก็ได้เป็นอริยะบุคคลขคั้นต้นคือพระโสดาบัน อสดาบันมันมีอยู่สามจำพวกมีอยู่สามขั้นขั้นนี้เป็นขั้นกายดีวาจาดีใจดีขั้นที่สงองอเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมหรือเรียกว่าธรรมะจักขุดวงตาเห็นธรรมบอกขนาดนี้แหละอธิบายให้ฟังดูหเห็นอะไรเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดับไปเป็นธรรมดาเอาตาเห็นรูป ก, ก็ดับเนี่ยเข้าใจไหมดับสักทีไหมหลังหูได้ยินเสียงก็ดับจมูกเกิดได้กลิ่นขึ้นมาก็ดับลิ้นเกิดได้รสขึ้นมาก็ดับนี่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับถ้าเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แปลว่ารู้เกิดดับรู้จริง สัจจะคือความจริงนี่แหละสัจจะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับเนี่ยดวงตาเห็นธรรมแล้วได้เป็นอริยบุคคลขั้นที่สองอสูดาบันขั้นที่สองอขั้นที่สามก็ละสังโยชน์สามได้ขั้นที่สามต้องเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีมีดวงตาเห็นธรรม และละสักยทิฏฐิวิกิจิตชาศิลพัปรมาทัยละสังโยชน์สามได้อันจึงแยกว่าสัตตุสัค ต, ตะสตุสัตะก็ว่าองค์แรกนี่มาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีกเพียงเกีชาติก็เข้าพันิพานผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วมาเกิดเพียงสองชาติสามชาติโกลังโกละสองชาติสามชาติก็เข้าสู่พันิพาน ผูท้ที่มากายดีวาจาดีใจดีดวงตายนทรรมแล้วก็ละสักยะทิฏฐิวิจิจิชาศิลพัทปรามาตได้หากมาเกิดในมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเรียกว่าเอกับพีชีก็จะไปพระนิพพานท่า น, น, นเป็นได้หรื อ, อยังอริยบุคคลขั้นต้นกายดีหรื อ, อยัง ว่าจใจดีหรือยังใจดีหรือยังมาอยู่อย่างนี้หน้าบูดหน้าบึง้งหงหวงอันนั้นอันนี้เรียกว่ากายไม่ดีนะกายไม่ดีใจไม่ดีนะอย่างนี้มาอยู่ต้องเป็นผู้ที่มีกายดีกายดีนี่มันต้องลึกละเอียดมากไม่ฆ่าสัตว์นอกจากไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการแล้วก็ไม่เสียแสงแป้งทา ใส่กันอันนั้นอันนี้เดี๋ยวพูดกระทบกระแทกแดกดันกันอออทับใส่กันอันนั้นอันนี้เรียกว่ากายไม่ดีวาจาไม่ดีแล้วมาอยู่ก็มาอยู่เสียเวลาไม่มาปฏิบัติกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจเจ้าของเลยตายไปแล้วก็ไปตกนรกคือเก่าพวกเนี้ยมาเข้าวัดเฉยๆมันไม่เห็นวัด ต้องรู้จากอย่างนี้นี่แหละอริยาบุคคลขั้นต้นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นยังไงเห็นธรรมตาเห็นลูกแล้วก็ดับเป็นธรรมดาหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับเป็นธรรมดาจมูกได้กลิ่นแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาลิ้นได้รสก็ดับลงเป็นธรรมดา ตายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งดับลงเป็นธรรมดาความคิดเกิดขึ้นธำรมลมกระทบกับใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักขุอัรรมมัจกสุเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมอธิบายให้เข้าใจ เห็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นอะไรก็ต้องดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางองค์นี้ไม่ลูกคำในหนทางแล้วนะนี่แหละคาว่าธรรมดานี่นี่แหละคือสัจจะ อะไรเกิดอะไรก็ต้องดับนั่นเป็นความจริงอยู่อย่างนี้เอ่ออะไรละ่ะเกิดดับอ่ะตาก็คือรูปภายในรูปที่มองเห็นนั่นก็คือรูปภายนอกน่นนะกระทบกันเกิดรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับรู้ว่าเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับความรู้ว่ารู้อันนั้นเห็นอันนี้นั่นก็คือนาม ตาก็คือลูกลูกกับน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ดับอันห่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับสังขารนี่นะเกิดขึ้นแล้วก็ดับสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นอันห่าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับอ่ะสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์อ่าอะไร ทั้งหมดในโลกเนี่ยมันเกิดมันดับก็เรียกว่าเป็นทุกข์ถ้าขันห้าเกิดดับก็ขันห้าเป็นทุกข์นี่แหละเห็นทุกข์ไหมล่ะทีนี้มันเกิดเองดับเองมันทุกข์จริงของมันอยู่นี่ดับจริงของมันอยู่นี่เป็นสัจจะเนี่เป็นความจริงอยู่อย่างนี้มันเกิดดับเองดับของมันเองเกิดของมันเองดับของมันเองมันเห็นของมันเองดับเป็นเองเรียกว่าทุกข์เกิดดับ ขันห้าเกิดดับทุกเกิดดับย้ำอยู่นี่แหละอยากให้คนเข้าใจทุก <c oughs> นานแล้วอธิบายอยู่นี้ก็ไม่เข้าใจอื <c oughs> สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุก <c oughs> <c oughs> อะไรเกิดอะไรดับล่ะทีนี้ ตาเห็นลูกแล้วก็เกิดแล้วก็ดับนหนหูได้ยินเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับหนิเกิดได้ยินขึ้นแล้วก็ดับขันห้าเกิดดับนนหนิวันหนึ่งวันหนึ่งนนี่แหละผู้เกิดผู้ดับนี่แหละคือทุกข์เพราะเรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับวันหนึ่งวันดึงไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปอย่อยางนี้ ขันห้ามันเกิดมันดับกี่ครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งตาเห็นลูกก็ขันห้าเกิดอีกครั้งหนึ่งงูได้ย hmm. ินเสียงก็ขันห้าเกิดดับครั้งหนึ่งทุกเกิดดับครั้งหนึ่งแต่หมูได้กลิ่นก็ขันห้าเกิดดับก็เรียกว่าทุกเกิดดับครั้งหนึ่งลินได้รถก็เรียกว่าขันห้าเกิดดับครั้งหนึ่งทุกขเกิดดับครั้งหนึ่งรู้จักทุกหรือยังฮะนี่แหละทุกเกิดดับ ไม่มีอะไรเกิดมิได้ทุกเกิดมิแต่ทุกดับอยูน่นี่ตลอดวันเบื่อหน่ายไหมหล่ะที่นี่ฮะเบื่อหน่ายในทุกไหมมองเห็นทุกหรือยังฮะมองเห็นทุกจึงจะเป็นสุขนะเมื่อเห็นว่ามันทุกนะจึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีอนิพพิทานวิลาคาะจิตจึงจะหลุดพ้นจากขันห้าได้นะ ไม่ใช่ไปหยุดพ้นที่อื่นนะหยุดพ้นแค่นี้แหละนี่ยเห็นเกิดเห็นดับนี่แหละปัญญานี่นี่แหละปัญญาบาลมีเนี่ยจะไปหามาจากไหนอินบาลมีเนี่ยขมบาลมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีขันติบาลมีตัตจบัลมีอธิษฐานบาลมีมันอยู่นี่หมดนั่งอยู่สมาธิอยู่เนี่ยอุเบกขาบาลมีมันก็อยู่ที่นี่หมดเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีอยู่นี่หมด นี่แล้วมาสร้างบา ร, รมีให้เจ้าของปัญญาบา ร, รมีกันนี่แหละนั่งเพราะจิตว่างแล้วมันก็เห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาปัญญาเกิดรู้ขึ้นมาเกิดรู้ว่ามันเกิดมันดับปัญญารู้เกิดรู้ดับคืออริยสัจจริงอะไรเกิดอะไรต้องดับนี่เป็นความจริงอย่างนี้เป็นสัจจะอยู่อย่างนี้ นี่แหละอวิชชาเน่ยนะไม่รู้เน่ยไม่รู้อะไรไม่รู้จากสัจจะไม่รู้จากเกิดดับจะม่ดับที่ไหนอวิชชาน่นะเพราะอันเดียวกันนี่แหละพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นขั้นห้าเกิดดับมันจะไปหาที่ไหนอีกจะไปฟังที่ไหนอีกฟังเทศเนี่ยถ้าไม่รู้จากเกิดดับพูดอย่างนี้ไม่รู้จากเกิดดับหมดหมดเท่านั้นแนหะ หมดที่จะไปพูดหมดที่จะไปฟังแล้วพูดแสดงก็หมดหมดไม่สามารถจะแสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเข้าใจอันนี้ไม่ได้ไปอ่านหนังสือมานะั่นนั้ะตาเห็นลูกก็ดับลงไหนถ้าไม่ดับเป็นอะไรก็เรียกว่าหลงขันห้าก็รู้ไม่จริงอวิชารู้ไม่จริงไม่รู้ว่าสังขารมันเกิดดับอย่างนี้นี่แหละอวิชานะั่นหลงสังขารไง หลงคันห้านี่ยเกิดดับไม่รู้อะคันห้ามันเกิดกลับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ถ้ารู้ว่ามันเกิดดับเ ด, ดเกิดกลับดับพร้อมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าวิชาเท่านั้นอวิชาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดดับไม่รู้สัจจะไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้จากทุกนี่แหละทุกอะจะให้อธิบายที่ไหนอีกอริยสัจสี่ที่เราสวดอยู่เมื่อกี้เนี่ยอ่า นี่แหละทุกข์อ่ะขันห้าเกิดดับนี่แหละทุกข์อ่ะสิงได้เกิดสิงนั่นต้องดับนั่นสังขาร น, นี่รูปกับนามนี่ยิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เรียกว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับมันเกิดดับเองเกิดเองดับเองของมันเป็นอริยะอย่างนี้เรียกว่าวิบาขันคือทุกข์ขัดทุกขอริยะสัดนี่แหละทุกข์อ่ะจะไปหาที่ไหนทุกข์อ่ะนะ สิ่งไดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นน่ะสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์น่ะขันห้าเกิดขันห้าต้องดับนั่นน่ะขันห้าเกิดขันห้าดับขันห้านั่นแเราคือทุกข์อ่ะเข้าใจทุกข์หรือยังฮเห็นทุกข์หรือยังมองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุขนั่นน่ะถ้าเห็นทุกข์แล้วจะเบื่อหน่ายในทุกข์ดับขันห้าได้ ขันห้านี่แหละมันเกิดมันดับหมุนเป็นวัฏจักรสงสารอยู่มันบังพระนิพพานเอาไว้ถ้าเราเข้าใจอันนี้มันดับได้นี่แหละทุกจะไปหาดูที่ไหนทุกอะจะไปดูว่าปวดแขบปวดขาตีทุกอะอันนั้นมันทุกอย่างคนละอย่างพระพุทธองค์ตัดไว้ทุกทุกในอริยสัจสี่ นี่เนี่ทุกอริยสัจสีคือขันห้ามันเกิดมันดับนี่แหละนี่แหละคือทุกข์อ่ะทุกอันอื่นเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนากายเวทนาจิตเวทนาจิตก็ทุกข์ทุกอีกอันหนึ่งเรียกว่านิพพัททุกนิพพัททุกทุกที่ประจำอยู่เรือนร่างหิ้วข้าวก็ทุกินข้าวอิ่มเกินไปก็ทุกปวดขี้ปวดเย่าก็ทุก ไม่พามันไปขี่ไปเยี่ยวก็ไม่ได้ทุกมีประจำอยู่เรือนร่างหิวก็ทุกอิ่มก็ทุกง่วงนอนก็ทุกนอนไม่หลับก็ทุกนี่ท่านเรียกนี่พัฒทุกอือันที่สีก็คือพยาธิทุกรู้จักไหมล่ะพยาธิพยาธิก็คือพยาธินั่นแหละตัวอยู่หัวคนก็กินหัวคนให้งอกถึะ กินผมคนให้ร่วงให้โร่นอยู่นั้นตัวพยาธิตัวอยู่ตาก็กินตาให้ฝ้าให้ ฟ, า, หฟางตัวอยู่หู ก, ก็กินหูให้หนวกให้หูอื้อตัวอยู่ลิ้น ก, ก็กินลิ้นกินตัวอยู่ในเลือดก็กินเลือดเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่าไปตัวอยู่เส้นอยู่เอ็นก็ปวดแขคงปวดขากินเส้นกินเอน็นพยาธินะ ตัอยู่ตับก็กินตับสัอยู่ไตก็จินไตให้แก่ให้ทำงานไม่สะดวกสรุปแล้วพยาธิถูกย่อลงมาอยู่อยู่ตาอยู่หูเป็นโรคทางตาเป็นโรคทางหูเป็นโรค ท, ท, ทางจมูกเป็นโรคทางลิ้นเป็นโรคทางกายอ่าสุดท้ายก็เป็นโรคทางใจ โรคทางใจคือโรคยังไงล่ะโรควิปรัชน์นั่นแหละความคลดหลา ย, ย่อลงมาเหลือเท่านี้พยาธิทุกย่อลงมาโรคทางกายก็สารพัดอย่างโรคทางตาทำให้ตาเกิดอะไรบ้างโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นมันก็เปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ ตัวอยู่ไกาของเราก็กินไกายฉันจึงเรียกว่าก้อนอันนีนะ้เรียกว่าก้อนก้อนทุกกองทุกอันห้านี่เรียกว่ากองทุกก้อนทุกมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้เรียกว่าก้อนทุกกองทุกเป็นลังของโลกคนอ้วนก็ยิ่งโลกเหมือนกับที่นามันกว้างโลกก็ยิ่งมากคนผอมๆน้อยๆก็โลกก็ยิ่งน้อยลง รังของโลกเข้าใจไหมละ่ะรังของโลกนี่แหละทุกทุกทั้งหลายย่นย่อลงมาสี่อย่างที่อธิบายให้ฟังนี่ยนะน่งทุกในอริยสัจสีสองเวทนาทุกสามนิพพัททุกสี่พยาธิทุกมันมันมันย่อลงมาอย่างนี้ ต้องไปรู้จักว่าทุกขในอริย ส, สัจสี่คื อ, อยังไงทุกในเวทนาทุกเนี่นนะคือทุกอย่างไงทุกอยู่ในนิพพัททุกเนี่ยนะคือทุกอย่างไรพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ถ้าไม่รู้จักพวกนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกเลยอยากกลับมาเกิดอีกในภพนั่นภพนี้ในภพ ที่เป็นคนบางบางทีเป็นคนดีๆอยู่ไปเห็นหมาดีขัเจาของตายไปก็เป็นหมาก็มีนะเป็นสัตว์ก็มีนะโอ้หมานี่อย่างที่อะไรหละในขัง้งพุทธการคนขอทานขอทานมาเจ็ดวันไม่ได้กินข้าวเลยพอมาถึงบ้านเศรษฐี เห็นคนชายเขาเอาข้าวมาให้สุนัขให้หมากินพาเมียอุ้มลูกมาอุ้มแล้วก็ช่วยกันมาไม่ได้กินข้าวทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพอ่อเกืบวันแล้วกินตั้งแต่น้ำเท่านั้นพอมาเห็นหมากินอาหารเหลือก็เลยขอจากคนชายเขาก็เลยให้กินอกินแล้วพ่อไม่ได้กินนะให้แต่ลูกกับเมียกิน ให้เต็ลูกกับเมียกินก่อนเพราะว่าตัวเองพูดพ่อเนี่ยคงพออดได้พอดีคนใชยเขาก็เลยขอเขาเขาก็เลยเอามาให้สงสารเขาเอามาให้ด้วยความหิวเกียดวันกินอาหารไลยๆเข้าไปกับเพราะมันฉีกหรือยังไงนี่แหละตายก่อนตายก็คิดว่าโอ้หมาเนี่ยมันดังดีกว่าเราว่ามัน เรานี่ไปขอทานหกเจ็ดวันก็ไม่มีใครให้อะ้กินหมามันนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆเขาก็หาข้าวมาให้มันกินที่มันก็ไม่ได้นั่นคนชายเขามาเก็บมาเอาไปทิ้งหมดน้ำก็ไม่ไปหากินเหมือนกับคนหมานี่มันคือเก่งแท้มันคือดีแท้เพราใจอยากขาดก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาธาตแตกขันดับเพราะว่า กินอาหารมากเกินไปก็เลยตายวันนั้นอิดก็เลยไปส้ำพเวสีท่องเที่ยวด้วยผลของกรรมที่คิดว่าหมามันดีกว่าคนนอนอยู่เฉยๆก็ได้กินอิดก็เลยวนเวียนมาเกิดในท้องสุนัขในท้องมา้า <c> ห <oughs> มาก็เป็นหมาเศรษฐีบุญกุศลที่เขาทานเอาไว้หลายหมาตัวนั้น ยินไม่มีมันก็เลยมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพอมาเป็นหมาก็คนนี้มาเห็นหมาจะอยู่ดีกินดีกว่าเจ้าของพราอยากตายเป็นหมาตายแล้วเลยไปเกิดเป็นหมาเป็นหมาเศรษฐีเป็นห ม, า, นหมาหนุ่มนะผู้ชายตายก็เลยเกิดเป็นผู้ชายคือเขากาลังหน้าละเศรษฐีเป็นนิมนต์พระปัจเจกผู้ที่เจ้าเข้ามาแันที่บ้านพอวิ่งไปด้วย บอกได้นะเกิดจากพบตายจากพบของคนมาเป็นสัตว์ว่านอนสอนง่ายรู้จากภาษาคนง่ายบอกสอนยังไงมันก็เอานะวันหนึ่งก็ไปนิมนต์พระนม่าตายมาเกิดเป็นหมานะมานิมนต์พระก็เลยกาบเรียนท่านไว้ถ้าผมไม่ได้มาผมบอกหมาผมมานิมนต์ก็ให้พระคุณเจ้าเข้าไปเลยนะ ไม่ค่อยมีเวลาว่างง้นนะเอาเวลามาเสียทีไม่ค่อยไดมานิมนต์มีแจกใหหมามามาเห่าวุ๊กวุ๊กพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไปกันที่บ้านเสียฐีไม่ไปบินธ บ, บาติที่อื่นทำอย่าง น, นมานานจนหมากับพระคุ้นกันสนิทกันวันหนึ่งไปนิมนต์พระ ทำท่าจะไม่ไปนะมันลองมันจะด้วภาษาคนจริงๆริงไหมว่างั้นนะเราจะเดินไปทางใหม่มันจะทำยังไงพอผ้าเดินไปทางใหม่มมาก็รีบไปคาบเอาผ้าจีวรพระดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ท่านคลัวมันจะขาดท่านก็เลยกลับขึ้นมาเลยไปทางเก่าก็นำหน้าพระไปเล่ยไปถึงบ้านเศรษฐีก็เข้าไปนั่ง อยู่ใกล้ๆพระกับเจ้าของกันแล้วแต่นิดกันกับพระเอาแวมาเป็ดถีเลยอยากเลยไปทานผ้าให้พระผ้ากีวร์มันเก่ามันใกล้จะขาดแล้วก็อานผ้าให้พระผ้าอยากไปตัดตัดผ้าไม่มีที่ตัดทีนี้จะตัดผ้าหนุ่งห่มพระปเจคุณพระเจ้าก็เลยเหาะขึ้นนั่นน่ะ ห่อลี่วลวขึ้นไปบนสวรรค์ไปหาหมูหาเพื่อนไปหาลงทางไหนก็ไม่รู้เราจะไปตัดผ้าหมาตัวนี้เห็นพระห่อขึ้นก็เกิดอัศจรรย์เกิดอัศจรรย์ขึ้นโอ้ขึ้นไปสวรรค์แล้วว่าไงนนเกิดคิดถึงพระก็เลยใจขาดตายคิดว่าพระขึ้นไปบนสวรรค์เราจะขึ้นไปอยู่กับพระ คิดถึงพระมากก็เลยใจขาดใจตุนักตัวนั้นก็เลยไปจุดติบนสวรรค์โอ้อานิสงฆ์ที่ม้ามาเห่าวุกวุกวิกๆมานิมนพระนั้นไปฉันที่บ้านนี่ขึ้นไปสวรรค์ น, นี่ไปจุดติบนสวรรค์ น, นี่เป็นผู้มีเสียงเสียงดีเสียงดังมากท่านจึงเรียกชื่อว่าโคสะโอสะโคศก โคสะเทพพระบุตรตายเป็นเทพพระบุตรนะทีนี้บนสวรรค์นั่นยังเรียกว่าโคสะเทพพระบุตรเมื่อทางสวรรค์จะมีการเรียกประชุมกันทีไรโคสะเทพพระบุตรนี่พูดค่อยๆนี่ได้ยินกี่ยดอดก็จะไม่ได้หรอกถ้าพูดดังๆพูดธรรมดานี่ได้ยินห้าสิบยอดถ้าเสียงเบ่งเสียงขึ้นนับยอดไม่ได้เลย ถ้าเทวดาจะมีการประชุมนัดประชุมกันก็ให้โคสะเทพพุทธนี่แหละเป็นคนลองบอกเสียงดังกล้องตังวานไปอา น, นิสงส์ที่มาเหา่านิมนภาคทำให้เสียงดังจึงไปตั้งชื่อว่าโคสะเทพพุตรนั่นอา น, นิสงส์อย่างนี้นะไปอย่างนี้นี่แหละมาเห็นคนมาเห็นหมาดีกว่าจะขวางตายเป็นหมา มาเห็นพระองค์นั้นตีกว่าหมาห่อขึ้นสวรรค์ได้ตายห่อขึ้นไปสวรรค์อันนี้สง์ที่ทำบุญทำทานได้ไปเกิดที่สวรรค์นั่นแหละให้พระกันเข้าใจถ้าจิตใจเรามันขาดคาไหนมันก็ตายไปเป็นอันนั้นต์สัลยกรรมกรรมครั้งสุดท้าย <c oughs> คิดไปถึงอะไรใจขาดก็เลยไปเกิดเป็นหมา พอตายมันเกิด <c oughs> คิดอยากบุญบรารมีเนี่ยนะสร้างเอาไว้เป็นหมาก็สร้างได้แค่นั้นไปเกิดสวรรค์ได้ให้พากันอย่าตั้งอยู่ในความประมาณวันนี้ก็เทศเรื่องอย้ำเรื่องทุกเรื่องทุกเพราะเราไม่รู้จักทุก ไอ้นี่ยนคะันห้าเนี่นะมีคันห้าก็มีทุกได้คันห้ามาก็ได้ทุกมีคันห้าอยู่ก็มีทุกเพราะอะไรเพราะมันเกียบไข่ได้ป่วยไม่ได้เทศไปจากคันห้านะได้มากว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ขันห้ามานี่ทุกยากลําบากเปรียบเสมือนเต่า ต, ตะบอดโยนลงในน้ําทะเลพร้อมกับแอก หรือพร้อมกับบ่วงเต่าตาบอดคอมาสุขบ่วงเมื่อไรจึงได้มาเกิดเป็นคนได้นะท่านอุปมาอุปไมยเอาไว้นี่แหละกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากถึงขนาดนก็ทุกยากชึงขนาดนี้ได้มาหามาได้มาก็ได้ทุกได้เป็นมนุษย์ก็ได้ทุกหามาก็หาทุกมีอยู่ก็มีทุก ทุกเจ็บใข้ได้ป่วยก็ทุกนอนไม่หลับแล้วควรอยู่ยงั้นแหละตื่นเนื้อยู่นั่นแหละทุกอยู่อันจึงให้พีรณาให้เห็นทุกให้เบื่อในทุกเบื่อในทุกขก็คือเบื่อในในตัวเองนี่แหละเบื่อในขันห่านจึงพยายามจะชี้ให้เห็นทุกอาเห็นรูป ก, ก็ดับนี่แหละ คือเกิดดับก็ทุกนี่นะหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับนี่เกิดได้ยินเสียงขึ้นแล้วก็ดับนี่นะขันห้าก็เกิดดับไม่มีนี่นี่ยทุกเกิดทุกดับสิงได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนั่นน่ะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งได้ดับสิ่งนั้นก็เป็นทุกขนั่นน่ะนี่แหละขันห้าก็เป็นทุกอย่างนี้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ตาย ทำไมตายนั่งอยู่นั่งอยู่ทำไมว่าตายทีนี้เทศทำไมเทศไปอย่างนั้นคำว่าตายนี่จิตมันเกิดมันตายตัวสังขารขันมันไม่ตายหรอกตัวสังขารจิตเนี่ยนะมันตายมันมารู้อารมณ์ขึ้นนิดหน่อยชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ตายขันห้านี่เกิดตายเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ อีกของเรามาเกิดรับรู้อารมณ์พบหนึ่งแล้วก็ดับลงเรียกว่าตายขันห้าเกิดขันห้าตายอย่างนี้ขันห้าก็คือเราเราก็คือใจขันห้าคือลูกกำน้ำลูกเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของใจใจนี่แหละคือเราเวลาตาเห็นลูกก่าลูกตรงไปบอกใจใจก็รู้เกิดรู้ขึ้นมาน พอรู้แล้วก็ดับแล้วก็ตายนี่แหละขันห้ามันเกิดมันตายอย่างนี้ขันนี่ตายขันใหม่เกิดอีกหูได้ยินเสียงก็ขันห้าเกิดอีกแล้วก็ดับอีกจมูกได้กลิ่นขันห้าก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกจมูกมันรู้มันรับเข้ามาเฉยๆนะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเรามีสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นนะจมูกตัวเรานะเป็นผู้รู้อารมณ์ว่าเกิดรู้ ว่าได้กลิ่นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดดับนี่แหละท่านเรียกว่าขันิกะมรรนังตายแบบปกปิดตายแบบปกปิดตายแป๊บเดียวเรียกว่าขันิกะมรลนังตายชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวเท่านั้นเกิดแล้วก็ตายวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้าเกิดตายอย่างนี้ก็เรียกว่าทุก เ, เกิดทุกดับ แต่ว่าข no no no no no right ันห้าเกิดดับขันห้าเกิดตายเกิดตายอย่างนี้มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับมีแต่ทุกข์เกิดมีแต่ทุกข์ดับรู้จักทุกข์หรือยังทีเนี้เฮ้มันเกิดมันดับเนี่ยเรียกว่าทุกข์อืมอะไรเกิดดับสังขารเกิดดับทําไมว่าสังขารกายจะสังขารหรือกายนี่ก็เรียกว่าสังขาร สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นดินน้ำลมไฟมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นเรียกว่ากายสังขารเรียกว่าสังขารจิตจะสังขารก็เวทนาปัญญาไปปรุงแต่งจิตขึ้นจิตก็เรียกว่าสังขารกายจะสังขารจิตสังขารกายกับใจนี่เนี่รูปกรบนามนี่นี่ยเรียกว่าสังขารเกิดขึ้นแล้วกะดับอยู่เนี่ ไม่อยู่ที่ไหนสังขารสังขารเกิดดับนี่ขันห้าเกิดดับนี่อืเรียกว่าจิตไม่รู้เท่าสังขารน่ะ น, นะอภิชาปัจจยาสังาลาน่ะจิตไม่รู้เท่าสังขารไม่รั่วสังขารมันเกิดเองดับเองอยู่เป็นอริรยาสัญจริงอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าอวิชาอภิชาปัจจะยาสังาลาสังาลาปัจจะยาว an ิญญาณังมันไปอย่างนี้ ถ้าดับแล้วเกิดดับแล้วจิตไม่รู้เท่าสังขารนะมันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเองอย่างนี้จึงไปถือเอาไปยึดไปถือเอาว่าเราเห็นว่าเราได้ยินจิตก็เลยไปปรุงแต่งต่ออีกปรุงว่าเห็นของสวยๆนั่นก็เลยเกิดตัญหาเกิดลาขะตัญหาขึ้นมาเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมา ถ้าไปปรุงไปคิดว่าเห็นของอันนี้ไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดน่ากลัวก็เกิดโอดขึ้นมาไม่ยินดีไม่พอใจขึ้นมาเกิดชังขึ้นมาเนี่ยมันก็ปรุงไปอย่างนี้แหละสังขารเกิดแล้วไม่ดับเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่จิตที่ใจเราอยู่เพราะว่าเรารู้ไม่จริงเราจึงดับไม่ได้ ก็เลยไปปรุงแต่งขึ้นมาว่ามันสวยว่ามันไม่สวยก็เลยยินดีไม่ยินดีขึ้นมาก็เลยเกิดราคะนิสัยปฏิภาวนิสัยตามนอนเพราะว่าอาวิชชานิสัยตามนอนเพราะว่ารู้ไม่จริงความรู้ไม่จริงตามนอนถ้ารู้จริงว่ามันเกิดมันดับมันก็สิ้นเรื่องเท่านั้นดับไปแล้วมันไม่ดับก็เลยไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาอีกปรุงแต่งไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดอารมณ์เข้าเท่านั้น นี่แหละความโลภความโกรธมันก็เกิดขึ้นด้วยประการรัชมีท่านว่าอีมัสสเจวรัสสุคักขันทัสสะสมุทโยโหติมันเกิดขึ้นจากนี้อวิชชาตเววาอะไรละ่ะว่าไปนั่นสังอวิชชาดับนั่นะสังขารก็ดับนั่นะความคิดปรุงแต่งต่อไปไม่มีจึงไม่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาเพราะว่าอาวิชชาไม่ตามนอน อวิชานุใสไม่ตามนอนอยู่ในจิตในใจเราเราจึงไม่ปรุงแต่งต่อไว้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีไม่เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาก็ดับไปอย่างนี้สังขารก็ดับนะเมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับอะไรก็ดับต่อไปหมดเป็นลูกโซ่ต่อไปอีมัตสายเจวราราศุภคันสัสนิโลโทโหติ ทุกทั้งหลายทั้งพวงกระดับด้วยได้ด้วยประการและชะนีนี่มันเกิดจากขั น, นหานให้พากาันรู้จักทุกข์นี่ทุกทั้งหลายทั้งพวง ก, ก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกทั้งหลายทั้งพวง ก, ก็ดับด้วยประการและชะนีมันดับต้องรู้จักทุกไม่ไม่รู้จักทุกมันดับทุกไม่ได้รอกวันนี้จึงแสดงเรื่องทุกมาให้เราท่านทั้งหลายฟังเป็นพิเศษอ่า ก็สมควรเจเวลาเอวังโอ้ลูกยักทุกข์ไว้ล่ะแม่อะไรล่ะเรื่เชื่ออีกแล้วเออแม่ท่องสาเกิดมาปนนี่บ่กูจักทุกขน้อยใหญ่เจ้าอาจารย์รู้จักทุกข์ไหมล่ะถ้าไม่ได้ยินจะรู้จักทุกข์ไหมล่ะทุกข์ได้หิวเขาเ่ากันแล้วให้ท่านบอกแล้วคืนหอดพอสมพงกันละ เนี่ยอื่นมาทุกข์ดอกคืดนําพอล่อมพงนั่นแหละย่านน่าแบนน่านันนีน่นั่นแหละทุกข์อยู่นับนี่แหละทุกข์ทุกข์ ก, ก็ความเกิดความดับเนี่ยทุกข์คืด น, นําพอล่อมพงเนีความคิดเ น, นี่ยคืออารมณ์ทมอารมณ์นี่ย น, นะคือความคิด น, นเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่ย น, นะต้องรู้จักเกิดดับตัวเข้าใจว่าล่ะฮะแม่มีโอ้ยไม่อยู่โดนโมูหจักทุกข์คอยกันนายอยู่ แสดงทุกข์ให้ฟังยุ่มเฮ้อยัยไม่อะเฮทุกข์ว่าเป็นเจ้าเ <c oughs> ออขันหาเกิดดับนะ <c oughs> เพื่อเรียนว่าทุกสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับ <c oughs> เอาไว้พิจารณาบ้างให้เข้าใจเด้อเรียองทุกข์เราไม่รู้จากทุกข์ไม่เบื่อในในทุกข์ก็อยากเกิดมาอีกเห็นว่าขันหานี่ยมันดีอยู่ น, นั้น แสดงให้ฟังเพื่อขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจท่านก็เข้าใจรู้อยู่ว่าอิทยังไม่พอจะรู้ได้แต่ผู้พูดก็ต้องพูดไปเผื่อตอนหลังมันมาถึงจุดนี้มันจะรู้ได้เข้าใจว่าอะไรหันย่ายบางที่เดินปัญญามาถึงจุดนี้มันสิพ่อรู้ได้ทำไมเขาไม่รู้ท่านถาม อ๋อเพราะเขายังไม่พอจะรู้ได้จิตของเขายังไม่พัฒนายังไม่พัฒนาไม่ได้อบรมจิตจิตจึงไม่พอจะรู้ได้แต่บางคนก็รู้ได้อยู่เนี่ยบางคนก็รู้ไม่ได้ยังรู้ไม่ได้เพราะจิตยังไม่ภาวนายังไม่อบรมยังไม่พัฒนาก็เลยทุเทศเป็นทางเอาไว้เฉย เพาว่าเราบําเพ็ญไปภาว น, นาไปก็จะอ้อนั่นนะ่ะถึงบางอ้อละยายอ้อนี่หรือที่ว่าทุกทุกเนี่ยนึกว่ามันจะเจ็บจะปวดเหมือนครับเอามีดเอาน้ำมาจิ้มมาแทงที่ไหนได้มันเป็นอย่างนี้หรือนั่นนะ่ะจึงจะเข้าใจเรื่องทุกข์เข้าใจว่าให้เนี่ย ช่างสิงหมูจักว่าโอ้ขั้นห้าเนี่ยเกิดตายอยู่ทุกขณะจิตท่านจึงเรียกว่าทุกพอพิจารณามาถึงจุดนี้ได้จึงอยโอ้วันหนึ่งวันหนึ่งเราตายอยู่อย่างนี้เราเกิดมาจะมาเกิดมาเอาเพื่ออะไรเราจะเห็นขึ้นมานะท่านเนี่ยธรรมดามันก็เกิดก็ตายอยู่อย่างนี้ ไม่มีอะไรสุขสักอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วจะเห็นขึ้นมายิงแสดงเอาไว้ยังพูดเอาไว้เพื่อรุ่นหลังต่อไปเขาจะได้ฟังได้ยินต่อไปมันจะไม่ไม่ค่อยมีพระมาเทศอย่างนี้นะพระมาเทศแกกอธิบายให้เราท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้นะไม่ว่าจะขี่รถไปฟังละขี่เครื่องบินไปฟังก็ยังอย่าไม่มีนะต่อไปพูดเรื่องทุกข์ให้ฟังอย่างเอา้า ถ้าเลิกปไปถ้ากองทุกเลิกถ้าก้อนทุกเลิกก่อนลา <c oughs> <c oughs>